ก็ให้ล่มกับเนาะว่ามันผมม่านทำไราศาสนาโวยทำไรเห็นยว่าอนี่ไม่อยากค่ายมันเนี่ยเนาะเฮับบ า, ายเยวนเ้ก่ อ, องทำม่านอ ย, อยนู่ผมพูดจริงนะผมมีตกจริงๆนะอีตกเกวีตกกรนะวงคณนะเรา ขณะกรรมฐ า, านสายนันปูมันมันจะค่อยเลือยไหลไปเรื่อยไหลไปที่วิตกมากวิสูตก็คือมีไฟฟ้าเข้าไปวันเนี่ยคงตกวิตกมากนะมันจะไม่นานมันจะมีเทวทั์เข้าไปวิดีโอที่สำคัญมันชอบชนี้ไหนมันจะหามา อี่หามาตั้งแต่อย่างนรกจกเปตท้งนั่นหมดจริงๆนะถ้าลงอันนี้ก็ใน้าวัดแล้วหมดนับภาวนาเราก็่มีเหลือนะ่ะพูดได้ขาดตัวเลยก็ลูกกันอยู่แล้วลูกกันทัดทัดอยู่แล้วยังปุ๋นมามายนไม้ก็แสดงว่าต่างหน้าต่างตา หน้าด้านมันจริงๆบันนี้ไงทำลายก็จะนาจริงๆจริงห้ม่เอาเข้ามามันมีอะไรไฟฟ้าไฟดินเราใช่ามาจากคอตเตอรแม่เราไม่มีไม่หมดด้วยี้อะเฮห็นวิเศษวิโสเลยครับไฟสว่างความสว่างนะนนี่ไม่เห็นวิเศษวิโสใน ใจสว่างเลยไปเห็นใจสว่างดีกว่าใจสว่างอันนี้นะที่สําคัญทําให้อดคิดไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นแน่ๆ น, นี่รอจังหวะอยู่แค่นั้นเองเวลานี้นะพอได้จังหวะแล้วก็หมดเลยเพิบเดียวหมดไม่มีอะไรเหลือที่นี่หมดคําว่ากรรมฐานอย่าถามถามึงเลย ว่าได้จะทัดอย่างน้นทัดลงวันนี้เลยเข้าเลยคำว่ากรรมฐานยาไปถามทึ้งเลยอโอ้มันเรื่องเล่นเมื่ อ, อไหร่อันนี้เทวทัตกลงเดียวมาร้านเปอร์เซนเดียวไม่มีคําว่าเลี่ยงเลี่ยงไม่มีคําว่าอ้อมอมตรงเป่งก็ไปใส่ห่งวงหัวใจเลยห่วงว่าตับไม่เขาดจะ บ, บ้านเสมอ เดี๋ยวทัดเถิดมโอนี่มันไปเอาอะไรอไรมาเพิงจะได้แล้วไปหาเอามาสินี่คือมันมันล่าที่สุดอันนี้หนะทำมาทุกปิจารย์ใครถ้าไม่เอาจริงวิาจารณ์จริงไปไม่รอด น, นะเราคงจะเดือดหนีเหนียวมากนะละเอียดมากนั้งพูดแล้วนัง่ง ส, สลับซับซ้อน โอ้ยสวงรอยนี้ไม่ทันนะมันเหนวขนาดนั้นนะแล้วไม่ทันจนกล่าสติปัญญามันเหนือมันนั่นนั่นที่ที่เห็นอันนี้ก็คือเมื่อมันเหนือแล้วมันก็เห็นถ้าไม่เหนือไม่เห็นไม่รู้นี่เวลามันเป็นมันเป็นมาส่ยใครก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่บางที่ฝุ่นมันไม่เห็นอยู่ไม่รู้อยู่ว่าไง เขปล่อยให้มันเหยียบย่ำแล้วมันแบ่งสรนบางส่วนกินดีนั่นนะอย่างน้อยแบ่งสันบางส่วนกินมากนะนั้นบีบคอพวกเราเปนพวกคนบีบคอกินไม่ใช่คนแบ่งสรรบางส่วนแบ่งสรรบส่วนมันจะให้เกียรติบ้างใช่ั้นมาขอแบ่งอ่ามันมาบีบคอกินเลยพวกเราเปวกถูกบีบคอกินเลยทีน่าทุเรศนะผมพูดจริงในหัวใจของผมนี่มันมันเป็นอย่างผมพูดนะ ถ้าเป็นอย่างคนหรือใครมาเป็นคู่กคำพูนกับเรานี่โอ้ฆ่าได้อย่างพินานเลยไม่จะทกส์ทรานเลยนะกี่ศพยังไม่รู้สึกตัวว่าได้ฆ่าคนความเครียดแท้วางกันเถอะนะแท้ในกิเดลสเนี่ย ถ, นะถึงขนาดนั้นเถอะนะเพราะงั้นถึงกล้าพูดที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษด้วยคนถึงประทยัยอื ม, มเห็นจริงๆทําไมจะไม่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยจับเหมือนกับว่าจับถุดลากไม่ค่อยกับกองไฟนั่นว่ะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าฉุดลากมาอย่าง เต็มกาลังเลยคนหนึ่งไม่รู้เสื้อซ่ากาลังจะเข้ากองไฟอนนี้จับมือหรือจับแขนลากออกมานเลยอย่างแรงๆแรงนี่มันก็ไม่ันไม่มันไ ม, ม, นไม่หนักเหมือนจะเข้ากองไฟทั้งกลองแล้วมันหมดเลยน่ะอันนี้ลากมานี่จะเป็นอะารไปนั่นนี่พระเจ้า ส, สั่งสอนตลกดท่านสั่งสอนานัจริงๆพรท่านเห็นหมดจริงๆนี่ ปิดเราอยู่กินดวงนี่อะ่ะร้านเปิดอะ่ะแต่ความสงสารท่านกับความว่าของเมตตาท่านก็ท่านก็นกนกมีธรรมวันจุดช่วยได้หนักบบามั่งนอ้อย่างไรนั่นท่านก็มีขอบเขตขอท่านอีหละหรือว่างไงพแม้จะถุกจะลากกับพัดตะคือคนหูหนวกตาบอดจะลากไปหมดได้ไะคนที่คนลากก็ลาก ที่มีครลากก็โอ้สุดวิสัยอย่างที่ท่านว่าพวกดาวโดทั้งสองอ่ะโอ้หน้าเสียดายนี่เนี่ยตายแล้วสมนแล้วมาเย็นวานนี้หน้าเสียนดะายน่คือมันสุดวิสัยมันมีความเมตตก็อยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นไปได้แล้วเมตตาเมตา้มตาสงสารไม่สงสาร โอ้ใจตรงนี้ไม่ใช่เร่อเล่นนะมีกล้าพูดไม่มีอะไรมากกว่าการเกิดตายเกิดตายของจิตแต่ละดวงละดวงนี้มากจริงๆแล้วยังยังยังไม่กำหนดอีกนะเนี่ยคิดถ้าแก้ไม่ได้มันจะเป็นไปอย่างนี้อีกตลอดนั่นนะฟังสิภาษาบารีผมลืมนะนามตะโขว่าว่าในใ น, ในบารีมีคือไม่มีเง่ต้นเงื่อนปลายเลย มันมัน ม, มันนา่าคิดเล่นจริงๆนะเรื่องจิถวิญญาณนี้ใหม่ชัดโลกทั้งหลายทั่วแดนโลกกับท่านนี้ใครไปเห็นวิญญาณเจ้าของเป็นอย่างนั้นแล้ววิย ญ, ญาณผูอื่นเป็ย่านัฟังสิพูเจ <c oughs> <c oughs> ้ญญาธรรมะท่านเห็นนี่ไม่อาจจะจันท่านจดจะจันตรงไหนเคยเป็นมาอย่างไรเห็นหมดสอนเราสอนแบบทุ่แบบล่าง สอหยัดถึงใจถึงใจก็เห็นมาแล้วหยัถึงใจนี่สอนธรรมดามันจะเป็นปีสุดเท่าไหร่ก็ไม่ัญทุกแค่นี้ทุ่ ม, มลงไปความเสียดายอะไรต้องตัดมันจะไดเเ้เท่าฟ้าเท่าปินนี่ต้องตัดต้องตัดเนี่ยคือว่าต่อสู้กันเลยต้องฝืนกันฝืนกันมันจะดูไม่ดูน่ะ งฟังไม่ฟังน่ะถ้าขึ้นจิตวิาจะเป็นการส่งเสริมจิตเด่นจะทําให้จิตเดเกิดแล้วไม่ดูไม่ฟังเป็นต้นเนี่ยถึงไหนถึงกันเป็นในตนกันอีกงเหลนี้มันเคยมาแล้วครูปฏิบัติแล้วเราเองนี้ไม่ต้องพู้นเล้อ๋อมันฝืนแสนจะฝืนมิจะฝืนเน่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ออกข้างนอกก็ฝืนเนี่ยตัดกันผน่งผึ่ง ท่านถึงให้รบดีกูอยู่นั่นมันจะไม่ได้ฝืนนีมากไปถ้าอยู่ในกระดานมันจริงๆแล้วก็มันเจอกันตลอดเวลากต่เท่ากันตลอเวลาใครจะได้ฝืนทนล่ะว่าให้หดีกูอยู่ในป่าในเขาดูให้มันไปดูต้นไม้นั่นดูต้นไม้กับดูผู้คนหญิงชายวัตถุสินของเป็นยังไง นั่นเขาฉลาดเกินอุปติเจ้าฮะพิจารณาเรื่องของนี่น่ะเรื่องของเล่นๆเมื่อไหตัดออกตัดออกตัดออกอะไรที่จะเพิ่มเชื่อไฟตัดออกตัดออกไม่ให้เข้ามายุ่งส่วนที่ยังมีอยู่แล้วเอาพยายามดับมันนะอย่างงั้นนะยิ่งไล่เขาไปในป่าขเขาเพื่อกกันอันนี้เองตาเห็นตน้นไม้ภูเขาเป็นหลักธรรมชาติมันเป็นอันหนึ่งเนี่ยตาเห็นรูปหญินรูปชายรูปพตูสิ่งของเป็นอย่างหนึ่งนั่น เสียงเสียงขัดเสียงอะไรกระทบกระทเชิญกันนินทาอากาศไม่เห็นเป็นอะไรเสียงหญิงเสียงชายเสียงดูเสียงด่าเสียงว่าเสียงสนเสริญนินทาดูสิเป็นยังไงนั่นมันมีแต่ใครรอบด้านรอบด้านจมูกก็สขี้ดมอะไรกันมาเอาเข้าดมหญิงดมชาไปสี้เป็นบ้าไปแล้วนั่นบ้าจะชัดอย่างนี้สิมันต่างกันอย่างนี้มะตอนพิ้งคได้ล่หยิบจะมายุ่งเหรอไม่ได้นะมันจะมาเสริมเหรอทีนี้มันเคย สังหารโลกมันมากกว่ามากแล้วร่วมกับเราด้วยเนี่ยคนหนึ่งพ้นแต่ไหนว่าปุ่นแา่าไหนว่ไล่เขาป่าแต่เราไม่เชื่อพระเจ้าแล้วมันก็ต้องจมอยู่อย่านแล้วจะว่างถ้าเชื่อเขาไปได้เพราะนอกกับในป่าแล้วต้องมีเครื่องดัดสันดานอยู่อย่างก็กลัวนี่ยมันก็เคยแล้วนี่ที่พูดมาทั้งหมดมนี่มันมีแต่สิ่งที่เคยมาแล้วมันดับกันดับกัน มามกลัวแล้วไม่ว่าจะเฉยๆธรรมดาในดูเสียนตรงนั้นก็รู้ว่าที่มันเคยผ่านเคยเห็นมามันยังไม่เป็นอารมณ์เรื่องความกลัวมันเป็นธรรมที่นี่เนี่ยมันทิพย์กินเข้าไปอีกพักอย่างนึงอีกนะไปสู่ฐานที่โลัว มันพลิกไปอีกแง่หนึ่งกิ๊พลิกเพื่อความเป็นธรรมนะเนี่ยนี่กเห็นด้วยท่านกล้าจนตัวกลัวจงตัวสั่นแวลาแก้ได้กล้าจนตัวสั่นเนี่ยววมันเห็นได้ท่านแล้วมันจะพูดไม่ได้ยังไงคนเราเมื่อเห็นประจักษ์หัวใจแล้วพูดไม่ได้นีเลยก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงจงังๆกำหนดดูจะมาทั้งถึงว่าหมดทั้งโลกอันนี้มันกลัวอะไรใหม่นู่นนะดูว่ามันกล้าจริงถึงขนาดนั้นแล้วเอาเอามาเทียบดู คิดดูว่าในโลกอันนี้มันกลัวอะไรมีไหมไม่มีเลยเอาตั้งรู้าเสือเดินเข้ามานี่ไปไหนว่งเดินเข้าหามันได้เลยเมือ่อนักทั้งที่งูมานี่เป็นไงเดินขึ้นไปได้เลยอะไรก็ตามว่างั้นคุณยังไงได้ทั้งนั้นเลยไม่มีความวัตถุกทานแต่ความจริงแล้วเสือจะกินงูจะกัดกับมั น, ม, นมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งนะแต่เรื่องความกล้ากล้าวเนี่มันกล้า น, นของมันทิ่มันไม่กลัวอะไรเลยนันเวลา ด, ดับได้เห็นไหม คณะก่อนมันเป็นตัวสั่งมันกลัวคณะหลังนี้มันตัวสั่งมันกล้านั่ น, นคือยิ่แก้กันอย่านั้นไให้เขาไปอยู่ในป่าเนีเขาแต่คั้งพิการก็มีมนะเสือกินพระก็มีสําเร็จในปากเสือก็มีนะในตำราม น, นั่นคือท่านมีธรรมะสูงแล้วจวนนะจวนหนึ่งทีแล้วท่านไม่ได้กำหนดว่าเป็นจับเป็นเสืออะไรแหละข้าลงขนานกันแล้วนะจิตขนาดนั้นนะห น, น, น, นีนี่ให้มันเป็นในหัวใจจะกของดิ กินขนาดว่าไม่มีสารไม่มีเสือมีเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมีสารมีเสือที่ไหนนี่จะท่าแต่ท่านว่ากินกับที่ท่ากินท่าอะลรว่าง่ายเพราะเรื่องนีปััสนามันเป็นเองนี่เมื่อมันถึงขั้นเป็นเองแล้วจะปรุงให้เป็นเสือเป็นอย่างมันก็ไม่เป็นยงไงมันก็เปลี่ยนนี้จีว้าอืมปุงไม่เป็นอะไรก็เป็นหลักธรรมชาติเมื่อสติปัญญามันทันมันเป็นตัวของกลัวแล้วพาไปเป็นท่ามันท่าตัอย่างนี้ว่าง่า เาขาจะพูดถึงเรื่องมันวา่างเหมือนกันมันว่างมันปุงทองก็บรรุงว่าเสือนี่เพราะแผลบมาเป็นภาพเสือบับดับปุ๊บเลยนะ่ะมันออกจากนี้ไปปุุงนะั่งมันปรุงพับออกจากนี้แล้วดับเสือที่ไหนมีถ้าเสือมีจริงก็มีสิเรื่องอะไรไปทา่ทาเขาท่าอะไรท่านเราท่านอะไรต้นแยกของมันมือกันต้องกระทันกันเลยสิเพราะมันเริ่องสติ ป, ปัญญาเโอไม่ขึ้นอยู่กับใครเลยนะ ขอใั้นำมาใช้เวลามจําเป็นเป็นได้งหญิงนี้พลิกไม่รูปกี่สันพันคมเลยนะไม่งั้นจะทันกิเลสได้หรือเพราะกิเลสมันออกมาแบบนี้ออกมามันคีดว่าอินทรีย์แบบของกิเลสเช่นว่าเสือมาเห็นที่นี่สติปัญญามันปั๊บขึ้ถ้ามันจะแยกเป็นท่าตุก็ท่าตุแล้วแต่อยู่กับเราเราไมเห็นกลัวก็กลัวมาแล้วนั่นก็ท่าตนี่งเนี่ยอันหนึ่งมันมันว่างทั้งหมดหยุดเมื่อมันถึงขั้นมันว่างมันว่างอยู่ปรุงภาพมันมันดับเลยจะปรุงให้เป็นเสือมันก็ไม่เปลี่ยนจะว่างเป็นได้ชั่ว แยกหนังเหมือนฝ้าแมพตอนภาพเป็นภาพของเสือแยกดับพุบที่นี่มันก็ไม่ได้ว่าเสือมาจากโู้นนี่มันก็รู้ว่าอันธรรมชาตินี้ออกตรุงออกไปเนี่ยเป็นภาพหลอกเจ้าของเนี่ยภาพแทบดับพุ๊บกันมันก็รู้อย่างนั้นเสืออยจังไงนั่นเื่อมันมันเป็นมันเป็นหนึ่งนั่นน่ะเป็นหลักธรรมชาติเนี่ยขั้นปัญญาขั้นใดมันเป็นเป็นเป็นเป็นเนื้อ้าฝืนตรุงไปก็นั่งก็ไม่ได้ ปูงปั๊บมันไม่ออกเลยเหมือนก็ดึงสายยางไม่ออกดึงที่แรกดึง น, นี่ได้ตั๊บปับ๊บเมือ่อซ้ําเขาซ้าเขาคือล้วซ้อมฝึกซ้อำนี่ เ, เรื่องของสติปัญญาฝึกซ้ำตัวเองฝึกซ้อมสิ่งที่เป็นค่าสิทธิอมันเป็นการลบค่าสิทธิเป็นการฝึกซ้มในอยู่ในตัวของตัวเองอ่ะน้ำมวยเหมือนกับว่าเมือม่อเมือ่อเคยต่อยเวทีมากต่อมาแล้วมันก็จัดเจณฑ์ในเทีนะอันนี้มันก็จัดเจณฑ์ในการต่อสู้ที่เหลือมันก็เป็นอย่างเดียวกันเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นการสึกซ้อมภายในตัวในการลบนั่นแหละเป็นการสึกซ้อมความจัดเก็บไปในตัวอี่เป็นอย่างนั้นืพอถึงขั้นมันว่างมันว่างไปหมดมันมีอะไรือมันว่างในหัวใจถึงถึงตัวดวงใจจริงยังไม่ว่างไปตามนะอมันก็ว่างรอบตัวไปหมดความที่หัวใจยังไม่ว่างมันมีมันมีม พอใจได้ว่างตัวเองแล้วท่านนี่หมดปัญหาละมันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นความมากเพราะเราเราเป็นมาอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้นนะต่ว่าถูกก็ผิดใครจะว่าบ้าก็บ้าสิก็เป็นมาอย่างนั้นนี่อฏิบัติมาอย่างนั้นมันได้เรียนจากใครเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นที่มาในสิ่ของเพราะการฝึกกันในส่งของมันมีแนวเหมือนกับว่าใครมันได้เชื่อนั่นแหละเชื่อไม่ได้ที่ไหนมันก็ลูกลางมันไปเลื่อยเรื่อย จะมีครูมีอาจารย์สอนมันหรือไม่สอนมันก็ตามสิเชื่ออยู่ตรงไหนไฟมันจะลุกไปลามไปลามไปตามเชื้อเนี่ะอันนี้ก็เหมือนกันเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงไหนที่มันจะฆ่าที่เลสมันพูดง่ายๆี่เลสมันเป็นเหมือนกับเชื้อมันก็ลุกกระลามมันไปอย่างนั้นแต่คือเมื่อทั้งหมดไม่มีอะไรจะไหม้นี่ยนี่แหละสติปัญญาในหลักธรรมชาติมันเป็นไม่ถามใครมันก็รู้เองอย่างเ โอ้ยอัจจันต์นียนะเรื่องของธรรมทั้งหลายนี่เราไม่ค่อยคาดคิดว่ามันจะรู้จะเห็นจะเป็นเต็นในอย่างไม่คาดนม่คอัจจันตพระพุทธเจ้าขอ่าสิเห็นแล้วตัวเท่านหนูนี่มันจะเป็นถ้าอะไรถึงพระพุทธเจา้าวะนั่นไม่เรียนจากใครเป็นในแบบธรรมชาติมันมีของมันอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ ที่ฝึกที่หาที่เรียนอยู่ในหักธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะควรไปแห่ไหนแหนไหนมันนั่งมีอะไรของมันที่จะหาไ ป, ไปมาแงานั้นอันนี้รับกันแงนี้มันนั้นมาแ ง, งานั้นอันนี้รับกันแนี้นี่เนี่ยมันนั่ขึ้นรับขึ้นรับขึ้นรับกันเลย อ, อบอกใครมันก็บอกไม่ได้นะถ้ามันไม่เป็นถ้าเป็นเ อ, อ๋อออย่างนี้เองนะแปลก น, นี่ยขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้เลยพิษนะพี่นายย้อนหลัง อยู่ใครไม่ได้เลยอยู่คนเดียวเท่านั้นฟัดกันทั้งวันทั้งคืนฟังนี้มีเวลาว่างเมื่อไหรมันขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้ฟังสิมันเสียวเวลาทั้งนี้มันตะลุมบงังตลเวลาไห น, นจะไปหันหน้าคุยกับใครได้มันยัดง่ายเถูกคัดต่อยออกที่เรียนมันลเลอียดขนาดไหนมันแหลมคมขนาดไหนมันรวดเร็วขนาดไหน เมื่อปัญญามันทันกันมันถึงรู้อ่ากิเลสมันรวดเร็กันขนาดแต่ก่อนเราไม่รู้นี่อืมันก็เหมือนก็ควายตัวหนึ่งอะไรจูงจมูกมันนั้นก็ไปพวกเราเราเหมือนควายตัวนึ่งมันไม่รู้คนฉลาดกว่ามันยังไงบ้างมันไม่รู้มันเป็นควายขนจูงจมูกมันอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าคนฉลาดกว่ามันจูงมันนั่งกับไปนี่ก็เหมือนกันกิเลสจูงเราเราก็เหมือนควาย เราไม่รู้ที่เด็ดม<า mul>ันจะหลานนี่ที่มันทุดเล่นนะผมโอ้มันจุ้งไหเข้าไปเรายังเพินไบระมันไปเรื่อยะขัดหญ้าไปเรยจุขัดหญ้าไเลยเพินกระมันไปเรื่อยโอ้ก็จุ้งไปข่ายังไม่รู้หนี่เ่มันจุ้งไปข้าจะดุมบอนข้าเนีบัวน้าร้อนข้าวนีกระทะใหญ่ไม่รู้มัดหญ้าเรื่อยไปคือเพิ่นไปเรื่อยไปเที่ยวมันก็ขัดหญ้าเรย นู่นเวลาพัดกันเข้ามันทันอยู่มันเร็วเข่าเร็วเข่าเร็วเข่าเร็วใจเร็วนี่มันก็เหนือเอาเนี่ยมันไม่เปลนเร็วทันเร็วทันตามทันอาไปต่อไปก็ทันก็เข้าถึงตัวที่เข้าถึงตัวก็พังสุดท้ายมันแยบประมาไม่ได้นั่นทีนี้มันเห็นแล้ี่มันเป็นยังไง ขนาดไหนที่เหล่มันรวดเร็วขนาดไหนมันแทรกมันซึอมอยู่ตรงไหนตรงไหนเนียโถพระศรีแม่าทายช่มันได้เมา่อไหร่วะละเอียดยิ่งกว่านั้นก็ต้องนี้มันก็ไม่ค้นปัญญาที่ละเอะกว่านั้นจะทราบปะอ๋อมันก็ทาบได้ทราบได้ค่าได้พร้อมกันในเพียงทราบเฉยๆถ้าลงปัญญาขนาดนี้ทราบแล้วพังพร้อมพร้อมเหมือนกับว่าเผาพร้อม เขาคอมอืออหนึ่งเชียดแน้นเลยเราทุกข์ที่สุดเลยการประกอบความเปลี่ยนชีวิตในชีวิตของพระนี้แหม่การต่อสู้ี่เดียรการฆ่าี่เดียรนี่หนักมากจริงๆนะอันนี้ก็เป็นจัจธรรมนะมันลืมไม่ได้ ถาว่าพูดแบบโลกจริงๆว่านี่ยมันเทียงแค้นเป็นคู่กับมคู่เล่นกันเลยเจอกันไม่ได้วางั่นเลยเจอก็เป็นเอาเลยไม่มีถอยเอาเลยถ้าเจอกันเมื่อไรถ้าเป็นเที่ยงแค้นแบบโลกมันคู่เดือดคู่แค้นกันจริงๆถึงใจนะเพราะทุกข์กับมันนม่แม้บางทมันก็จะตายจริง จะสลบสะไหลแต่มันก็ไม่ถึงขั้นฉลบแหละนั่นแหะมันหน่ะทุกมากก็รู้อยู่ผลนหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาจากความทุกมากอยู่นั่นแหะนั่นที่เหตุที่มันให้ถอยไม่ได้น่ะผลคือฝ่ายทำมันเกิดขึ้นมาจากความทุกมากทุกมากอยนไม่ใช่ว่าจะทนทุกมากเฉยๆมีที่กี่เด็ยบตะเยอะเดียวนั่นไม่ใช่ความทุกมากกับทุกมากแต่ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกมากมันก็มีคืด้านธรรมะเนี่ยนี่ที่มันพอพัดพอเบียมันไป มันก็อมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันก็ลืมไม่ได้อยู่นั่นแหละเรื่องความทุกขอ์อันนี้เช่นเดียวกับแล้วลืมไม่ได้เหมือนกันกันกบผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการทุกขม์มากนั่นนั่นมันเป็นคู่กันอยู่นั่นมันก็เหมือนกับว่าเราตัดขาดจาะบ้านนวดในเรื่องที่จะเป็นไปมาหนักเบามากน้อยอย่างไรภาละ ทั้งแดนโลกธาตุเรามาแบกตลอดฟังสิคือแดนโลกธาตุสามแดนโลกธาตุอนั้นเกิดได้ทั้นั้นจิงจริเป็นเหมือนกับว่าแบกทั้งสามแดนโลกธาตุมานานทเท่าไหร่อันนี้สลัดปิ่งออกเลยดีถึงออกจากนั้นเลยนั่นทําไมมันจะไม่เบาฟังสิสามแดนโลกธาตุมันหนักขนาดไหนนานเท่าไหร่ที่แบกมันแล้วเราจะทนแบกอยู่ด้วยความขี้เกียจที่ข้านความไม่เอาไหนอยู่หรือ ก็ต้องเอามาสอนเจ้าของคิสอนเจ้าขอ ง, อ, ข อ, งอุบายต่งางๆดีดตัวสลัดออกออกจากภาระหนักในสามแดนโลกชาวนี่ถึงออกนั่นเป็นยังไงที่นี่นั่นหลักวุฒิญาณขนออกหนออกอย่างนั้นพราสาวขออกหนออกนั่นเคำว่ามีจุดหมายปลายทางมีแต่ว่ามีหลักก็เกินหลักมีอะไรก็เกินนั้นเสียเกินสมมติไปทุทกอย่างว่างังหัน เกิดกับตายอะไรอยู่ที่ไงมันก็มีอยู่เป็นประจำเงั้นธรรมดามันก็เป็นมันก็มีอยู่มันหมดจะพูดถึงว่าอารมณ์มันก็หมดอารมณ์ที่ว่าจะเพึ่งอะไรมันก็ไม่ก็มันพอยแล้วพึ่งอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นประจักษ์อย่างนั้นมันจะว่าเมืองพอเมงพอไม่มีอะไรพิเศษที่กว่าคำว่าพออ่ะลงกรุงนั่นมดกว่าลรามีจริงแล้วพอพอ ไม่มีอะไรยิงง่งกว่านี้ไม่มีอะไรประเสริญยิ่งกว่าคำว่าพอสุดท้ายก็คือคําว่าพอนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่เข้าไปถึงเลยเพรก็อันอันนี้มันเหนือกว่าแล้วจะไปเอาอะไรว่าอันใดอันไหนดีจะจับอ น, นั้นมาวางอันนี้อยูอ่ไปเลือกอันนั้นเลือกอันนี้อยู่ก็แสดงว่าสงสัยสยี่อันนี้ดีหรือไม่ดีจับเอจะเอาค่าดีก็จะเอาเนี่ยถ้าไม่ดีก็จะทิ้งอย่งเงี้ยดีไม่ดีมันมันก็พอแล้วจะวางไง มันไม่มีอะไรดีกว่าคำว่าพอเนี่ยแล้วมันจะไปแตะอะไรคำว่าพอนี่เลิดยิ่งกว่าอะไรแล้วคำว่าเลือดใชยความอิอ่านมากยังเกิดจะให้สงบดยกันอิจฉมีความสงบไม่ยุ่งเหยางวุ่นวายทางภายนอกนะักให้พยายามใช้ปัญญาให้มากนะ ปัญญาจะพาก้าวเดินอย่างรวดเร็วนะ น, นจะประคอยให้จิตเป็นสมาธิจนแน่นเป่งเลยจะออกข้างบ้านปัญญาสงบขั้นไหนควรที่จะก้าทางปัญญาได้ก็ให้ก้าให้ออกตามขั้นของตนออคือค ว, ว่าสงบมันความวาสงบ ความหิวในอารมณ์ภายนอกที่มันยุ่งทําให้เกิดสัญญารมฟุ้งไปนั่นน่ะมันเบาตัวลงมันก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นเป็นงานของตัวเองได้มันไม่เตลิดเปิดเปิงเหมือนคนไม่มีสมาธิเลยแต่มาพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยไม่มีสมาธิไม่มีอะไรเลยแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เป็นปัญญาโอ้ตายว่างั้นเอยอย่ามากูหกนะว่งั้นก็กินนี่มันหิวเต็มอยู่ด้วยความหิวโหยเจ้าพิจารณานี้ให้มันเป็นปัญญาได้อะไ่เติดเปิดเปิงไปเป็นสัญญาไป เป็นที่เดีไปหมดนีน่มันจะเอาเป็นสัญญาณมาจากไหนที่จิตสงบมันจิตอิ่มตัวนี่มันอิ่มจากสัญญาอารมณ์เมื่อไยที่มันเคยเป็นมาสงบสงบมากน้อยเป็นไร น, นั่นน่ะปัญญาจะพอก้าได้พอปัญญาก้าได้ผลปรากฏขึ้นมาแล้วเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะั่นก็กลับ ม, มาสมจะมาที่นี่ได้อีกเนี่ยปัญญาก็ฉลาดนั่นนั่นคือว่าคำว่ญญาปัญญาสมาธิปริภาปิตานปัญญามหาบภราหหู้ตีห้าในซ่างซ่าแต่แปลเป็นนั่งก็เลยก็ เมื่อมีสมาธิหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องเนี่ยแปลงนี้ถ้าปฏิบัติเรานะถ้าปฏิญาตไปแปลอีกนะกลัวผิดศัพผิดแสงผิดอิทธิาตุิพัตตัดใจนี่เข้าอย่างผมก็ไม่ได้เดียนเป็นมหาก็าคดีดูถูกขมกันแปลแปลได้แปลอย่างนั้นทำไมจะแปลไม่ได้แต่ไม่โดนหัวกิเลสมั้นสิแปลโดนหัวกิเลสเราจะฆ่ากิเลสนี้นะอือเราไม่ได้ฆ่าสัพทฆ่าแสงฆ่าธาตุิพัตต์ปใจจัยนี้นะเราจะฆ่ากิเลสเนี่ยแต่เผงก็ยังอย่างว่าเนี่ยมันเป็นยังไงมันชัดเจนไหม อืเมื่อมีสมาธิหนุนและปัญญาเดินคล่องนั่นถ้าเป็นถ้าแปลตามนั่นเราปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอะไรสูงมากนั่นทำได้งั้นอืในปริยัติเราก็มาปพิเสธว่าไม่ถูกแต่อะไรที่จะถนัดได้ฆ่ากิดเลสนั้นเอานั่นน่ะเป็นธรรมะนะั่นขอให้ฆ่ากิดเลได้เป็นธรรมพราะว่าเจ้าสอนให้ฆ่ากิดเลนีนะ้อุบายวิธีใดที่จะฆ่ากิดเลได้เอานั่นอุบายนั่นเป็นธรรมนั่น เอาตนันพี่เยเหลีมันมาในตำราตำราคูกวันหรือมันเหยียบหัวเราอยทุกวันนี่มีในตำราทุกอันเรือไม่มีมันก็เหยียบได้ถ้าเป็นยี่เหลีแล้วอันนี้เมื่อมันเป็นธรรมแล้วไม่มีตราราก็เหยียบหัวยี่เหลี่ยมได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้วะเอาเป็นอย่างนั้นเลยแต่อันนี้มันถึงใจถึงใจนะถึงใจตรงไหนยิเหลี่ยมหมอกออนั่นนี่นีน่น ว, ว่าแปลเพื่อฆ่ายี่เลียทีนี้ก็ปัญญาบริวายต่างกิจต่างส ม, มเดว่าอาเซียมุจจติเน่ จิตที่ปัญญาที่ปัญญาทำนั้นแล้วยอ่อมดุพ้น์กับกิเลสโดยการทั้งปวงกิเลสโดยชอบนะ่ะแปลแฝ้ได้กลงกับภาพปฏิวัติเลยแต่ถ้าแปลก็ทางด้านปัญญาก็อย่างที่ว่านะั่นจิตอันปัญญาอบรมแล้วยอ่อมดุพ้นจากับกิเลสทั้งปวงโดยชอบน่ะแต่ทางด้านปัญญาท่นานาะนั้นท่านางเป็นพื้นฐานเอาไว้นั่น ใครจะแย่งเงีงย้ยเป็นไงก็ตามไม่เห็นหนีจากหลักใหญ่ขอก็พอคือหลักข้าวิเดชนันปัญญาคือข้าวิเดชนัาลงไปที่มันจะถึงหัวกิเลสก็เอาลงไปสิอ่อนอย่างนั้นสีและปณิภาริตตุสมาธิมหาพโลโหมถิให้สร้างโซนเหมือนกันคนมีสีจะมีความอบอุ่นไม่ระแวงแข็งใจเดือดร้อนพอให้เกิดสัญญาอารมณ์และทำสมาธิไม่ลไหลงนั่นไปทางนั้น เราก็แปลตามพระยากอย่างที่ว่าเนี่ยสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากแปลยังไงอันนี้เราก็ไม่ค้านเพราะเป็นแบบฉบับอยู่แล้วนี่แต่วไอสิ่งที่จะหาให้มันประจักเจ้าของเป็นสมบับเจ้าของบ้างเอาซิหาไม่ได้สี่สนี่เราเป็นผู้แสงสอะแสวงหาธรรมนี่นะ พระแม่หัวใจแปรที่ที่เราแปลนี่กับพระแม่หัวใจแปรนี่ไม่ได้ผิดกันนะแต่เราแ ต, แต่เราไม่ได้อ่านเอื่อมนะว่าเราประยกต์เสมอท่านนะนี่เป็นลักษณะที่คือท่านแปลท่านแปรถึงเลยไม่ผึงไงก็ท่านรู้ทํำเห็นทำท่านเคยข้ า, ดดากิเลสมาด้วยอุบายใดนั่นอุบายนั่นออกออกออกอแล้วท่านแปรนี่โอ้ผึงเล ทั้งที่เราเป็นมหานะแต่เราก็ไม่เคยเห็นค้านท่านนะเวลาท่านแปลอืมโหนี่ท่านแปลโกลงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับของนั้นเลยนะไม่ใส่ผึ่งเลยนะนี่เป็นนั่นนะทั้งที่เราก็เป็นมหาฯแปลไงเราก็รู้อยู่เราเป็นมหาแต่แปลเราเป็นมหาฯได้แต่ความจําไม่ได้ความจริงเหมือนท่านท่านแปลอยงนั้นท่านได้ความจริงเอาความจริงมานั่นมันผิดตรงนั้นน่ะถึงแมโ้โอ้โกงตัวเลยนะนะัดมันยอมรับแปลนั้นมันไม่เคยค้านท่านนะ อันแปลแบบนี้ถึงเลยเข้าถึงตัวีิเลงเลยหงายเลยหงายเลยแปลรวดเลยซะเล ย, เลยนะไม่รวดเดียวไงสติปัญญาท่องตัวมาพอแล้วถึงออกมาอะไรจะมาขัดข้านต่างทานกีดขวางสติปัญญาได้เมื่อปัญญาขันนั่นได้ออกตั ว, วนีท่านผ่านม า, า, ลาแล้วก็ไหลแล้วอื จะแม้ท่านคล่องเลยนั่นแหละผู้ปฏิบัติท่านแปลคนพวกพวกเราเนี่ยพวนอนแทกระดาษนมันจะไปยกพวกท่านนี้ยกได้อยู่ยนู้แปลนี้อยแปลนี้ต้องแปลว่าอย่างนั้นนั่นตามระดับพนล้าเนี่ยกัจะว่างั้นนะทำไมแปลงี้เกิดจะหาที่ไหนหาว่าท่านแปลไม่ถูกปากประปาเถื่อนไปนะ้วไม่รู้ว่าท่านเอาความจริง เขาเไม่เคยปี่บัติเาก็ไม่รู้ที่ความจริงเความปอมเป็นไงความจริงเป็นไงความจำเป็นไงเรไม่รู้ท่านคนพระกรบดูเล่นเมื่อไรพราแม่เขาจะมั่นโถท่านเล่าให้ฟังคนพระไกบูไม่รู้กี่ครั้งกันว่นู่หนักท่า น, า น, นาีแล้วท่านทำไมละ ม, มาได้ได้ไดไดมาอย่างไรคนพระไกรไปดูท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่บ้านป่งก็คนขามันบา้างๆ่านว่ะไกรบดูมีครบเห็นมค้นคนไท่านว่แล้วอยู่ไนนะท่านคนพระกบดู เล่าให้ฟงเห็นเราเรียนเนสู่ท่านได้ไมาไรนั่นหลักวิชาที่เดียนมาเป็นชั้นเป็นชั้นงั้นสู้ก็จะไปคนเรืนขนาด น, นั้นได้ไงถ้าพูดถึงเรื่องรองาวที่นํามาพูดอะไรๆเกี่ยวเรื่องธาตุดิพัฏฐ์ปัจใจอะไรอันนี้ที่จะยกขึ้นมานี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอดีตเราจะมายกธานุดิพัฏฐ์ปัจใจวาจกอขยาตัดทิฏฐินี่ในคิเลยมันหัวเราะตลอดระวังั้น เมื่อจะค่ากิเลสจริงๆอันนี้ไม่มายุ่งเลยนี่ซันเข้าตรงนั้นเลยนั่นมันคนละอย่างเนึ้อห่านี่นะแล้วยังจะมาเป็นน้อนแทกกระดาษดิมนีในไทันว่าปัจจัยนี้กิเกออลสหัวหล่อเนี่ยเพราะ ม, มันอยู่นู่นเรามาเกาอยู่นี่มันมาอยู่นู้นเราไปตีดินทุกตู้อยู่นี่กิเลมอยู่นู้นไม่ขอหัวหล่อสท่านใส่ถึงเลยที่เด็สอยู่นั่นนะมันต่างกันแบบนี้ ยังยัง่งยาสาวกโกสาวกโกเนี่ยสาวกสาวกไปเอาผู้ฟังเอันนี้ข้าให้พวกมหาปย น, น, นั้นนะมันเป็นาธาตุอะไรเนี่ยขึ้นอะไรฮะมาตั้งเขาว่ามาอันนั้น อ, อันเพืเ่อนไอ้ฟังโมฟังนี้มันจะเป็าดอะไรอยู่มันเป็นบายคนเเนนี่มันจะว่านไงนะผม คนเต้นเนี่ฟังไม่ฟังนเต้นขายกี่เด็ฟังเพื่อขายี่เด็ต่างหไม่ได้ฟังเเจ็เอาานฟประจยมันท่าอย่างน้าอย่างนอย่างต้องหัวมแหลแ้วแมนบอกเราจะขายกี่เด็ดต้างหากกี่เด็มันไปหาคนตาประจ่ยหรวอไปร่ตีหัวเราไม่เห็นบหาคนตาประจ่ยมันฟัดหรือหลงผิดลงเดนไปมีแต่พวกกลงผิดหลเดนพเรานี่คือพวกมันมัต้องยกใจไปประจยมากมันเอากรนแล้วเอากรนแนั้น แล้วจะไปตีที่เด๋ยวนี่มาหาคนท่าหว่าต้นสามหรือว่าโหพวกเล่าของพวกนั้นนอนแทะกระด่างนะวมาจริงจังมาปุริลาปุริลาบาลานเป่านั่นกำลังมีบาลาเป่าเวลานเป่าไม่เรียนเฉยไม่สนใจแค่เด็กแต่ทั้งทั้งสิ่งมีปุณิสัยสามารถที่จะเป็นประหานผู้วิยารณ์ทั้งแย่ปัญหาเขาไปปุริลาปุริลาบาลานเป่าปเถิดจึงนน้าปุริลาเถิดจึงยืนปุรลาเถิดจึงไปปุริราเถิจึงมา ใบลานเป่าใบลานเป่าใบลานเป่าที่พ่อแม่ครูอาจารย์แปลท่าน่แปลนั้นนี่นี่ก็เนมืกันตีหัวกิเลสอย่นี้่ลานเป่าหัวลานเป่าหัวลวนเป่านะบวชต่อเป่ากินเป่าเป่านอนเป่าเป่าตายเป่าเป่านั่นท่านแปลเห็นไหมมีแต่เึงแต่ฟาดถึงหัวกิเลสเพราะพวกนี้เป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นนอนเป่าเป่าเนี่ยหัวลานเป่าเป่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเรื่องของกิเลสมันครอบหัวครอบหัวไน่กินเป่าเป่าตายเป่าเป่าเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสครอบหัวออกครอบหัวท่านตีเข้าไปตรงนั้น นั่นท่าน <ท AND S 1> แปลท่านแปลนั่นะหาที่ค้านท่านได้ไหมผมนี่ค้านไม่ได้จริงอ่ะเพราแมงคุยานแปลมันเขาถึงใจเราของเลยท่านเอาว่าท่านเอาโกรชิรัสมาแปลนิทานปูรชิรัสนี่ล้วก็นย้านกดแบบบาลานเป่าแปลว่าบาลานเป่าท่านมานแปลเป็นงานจี่บาลานเป่าหัวร้อนเป่า เวลาบอกว่าสุดแต่โอ๊ยอยั่งยงจะเป็นอย่างนั้นไปอย่งนันเป่าเท่ากันดีกว่าไม่เป่ากถึงใจถึงใจที่เด็ดพังลงพังอลงยังนั่นถูอาจะฆ่ายิ่เด็ดต้องเป็นอย่างนั้นแต่จะรักษาสับแสงไว้ตาหรับตำราไว้ก็เป็นไปตามแบบนันนี้นี่เราก็ไม่ค้านอืไม่ค้านแต่เวลาที่จะ ลบก็ให้มันเป็นเวลาลบสิอยาให้เป็นเวลานอนถ้ากระดาษตเวลาสินี่อี่ทรรเกี่ยวเนื่องสีสวัสที่ปัญญาเนีพูดถึงว่าพอปัญญาที่จะควรกล้าได้ยังไงให้ออกพิจารณาหาอุบาย คิดอ่านแต่ต้องเรื่องธาตเรื่องขันข้างนอกข้างในอามาเทียบมาเคียงกันอืมหลายตลบทบทวนนะไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวนะอย่างนูง้นอย่างนี้สอดนู้นสอดนี่เรื่องของปัญญาพยายามคิด ต, ต่อไปมันก็จะพ่อยมีแขนงค่อยแต่สิ่งแต่กล้าขึ้นมาทีนี่ทีนี่ก็ค่อยกล้าไปได้ละถ้าพอปัญญาได้กล้าออกแล้วเราที่นี้มีหวังมีหวังหลายเป็นน่ะแต่นั่งนะ ก, กันแน่นแ น, แน่แน่เข้าไปเลยนั่นนี่เราก็แก่เรานี้ยนะแก่ไปทุกวันทุกวันว่างไง เพื่อนฝูงก็มีเด็ดตัดน้ํากั้นทางตัวเองตัวเองแล้วไม่เปิดทางให้เดินได้ทําไงทำมาทำไม่จรินนั้นในวันนี้ผมพยายา ม, มให้มีงานอะไเพื่อจะเสริมทนนานจิตภาวนาเพราะไม่เห็นอะไรเป็นของสาคัญยิ่งกว่าภาวนาเป็นในหัวใจฝังลึกขนาดนั้นนะอจริงต้องพยายามหยิดพยายามกันนให้อะไรไมาดิแม้แต่แขกคนยากโยมใครจะมายุ่งกับพระในวันนี้ไม่ให้ยุ่งว่าไงนูน่นนะคมรักษาขนาดนั้น ตอนเป็นก็ออกมาเดี๋ยวกับผมเพื่อนักษหมู่เพื่อนนั่นเพื่อสบายด้วยควาประกอบความเปลี่ยนเป็นของต้องคำมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันฟาดเดียังอย่างนี้อดเวลามันจะทนได้หรือเปลี่ยเมื่อเราตีลราไตตลอดมันก็ต้องบอกต้องช้ำด้ ควรเจ็บมันก็ต้องเก็บมันควรตายมันก็ตายได้มันจะตายไม่อะไรกินออาหารเนี่ยมันเพียงแต่สติมันดีพิจนาวไข้ควรนนั้ผมเห็นคุณค่าเพราะงั้นผมจึงมีทนมี่ท้องค่อยดีขึ้นน่ะท้องผมยาเนี่ะผมก็กินไปเรื่อยเพรามันไม่มีอะไรมันไม่แพ้ยากินมานานแค่ไหนมแพ้ผมก็กินมาเรื่อยอย่างที่ท้องเหมือนก็เป็นปกตินะ ก่อนโถก็มันเสียมากเลยขนาดทีอดไปไลยนี่ยอดทั้ท้ายหมดเนี่ยอดเพียงสองสามวันงก็ท้ายหมดโดยท่หัพราสมมติเราอดสามวันนะไปชันวันที่สีไปสามชันต้ขึ้นท้ายของมดเลยมันขนาดนั้นไม่มีเหลือในช่องเลยจังเลยต่อไปกัชั้นต้องไปมันก็ทายมันกทยมันดีเลยอย่างแต่หันมาแล้วมันก็เหลือร่างแล้ว เจ็ดวันทายอีกหนึ่เจ็ดวันทายอีกหงทายเจอระเท่นี้มดในท้องอันเดี๋ยวนี้มันมั่วไปงั้นมันตั้งยินมันเผาแจ่ลวนาจิตทายมันไม่ก็ว่านั้นค่อยดีเรื่อยๆแง่ว่าย่าเขานี่ถูกยังก็ว่าฉันนานามันจะค่อยดีไปเองหายเองมันไม่มีอะไรละฉันไปถือก่อนทัชนาพรนี่แล้วเอาสงมาฉันมาตั้งแต่ปี เ, 2, 3, เออเส อ, อ, งะ อ, ะองสามเนื้อผมเห็นในหนังสือผมจดอะไรไปสองสามมันก็ะเพื่อมแปดปีแล้วมั้งพอสั่ <appointment> แนแต่มันเต็มแต่จายหน่อยนี่ก็เมื่กีนี้พาเอาอยาทางสมองมาให้อะไรเขาเรียกบำรุงสมองที่ว่ามันควา ม, ำ ม, มจำมันเสื่อมก็เริ่มฉันโอ้ยังไม่ได้เขียนไว้นะเริ่มฉันเมื่อวาน ขันยาสมองคอยดูมันเป็นยังไงความจำมันไม่อยากออกเหรออันหนึ่งความจําก็ไม่ดีด้วยทั้งคิดไม่อยากออกเรื่องก็มิยังเอาพูดเรื่องคิดเรื่องอ่านแล้วว่ามันหดมันไม่อยากรุ่งอยู่กับอะไรนะเป็นยังไงมันถูกอ่านด้ยอันหดเข้ามาหัวเข้ามาให้เป็นเรื่องคิดเรื่องอ่านอย่างนี้ไม่ไม่งีเอจนหมายไม่มีมังม่านี้ไม่อยากอ่านนะนั่นมันไม่ใช่ความคิดว่าไง ก็ไม่อะไรนี่ก็ผมอ่าผมตรวจดูเรื่มนั่นตรวจดูเรืม่มอะไรดําเนินอเดินตามอะไรศาสนธรรมค่อนๆไปละผมอ่านไปมไม่ได้มีอะไรแก่ละนีไ่ได้ขีดตัดเอาเป็นตัวเป็นตัวเท่านั้นเองนม่ได้มีแก่อะไร นึ่คือเวลาเนี้ก็กินมาแล้วเลยเนี้ยที่บ้านจะไม่มีที่เก็บอ่ะแล้วทำไมเราเตรียมยี่ไหนไว้ล่ะเราเก็บเตรียมที่ไหนไว้บ้างเท่าไหร่ยี่มื่นมื่นหกเหรีอญโอ หนังสือหนาจะด้วยนะมันจะหนาวพอกันหรือมั้งกี่กี่กันเนี่ยเล่มจุดสองเล่มมันกี่กันเล่มนั้นเล่มนี้ไม่ใช่สีดำมก็มันมัไม่จะอ่านไปเรื่อยๆก็ดีทุกกันฟังกันไหนอ่านกันไหนก็ดีทุกกันที่เล่มนี้ก็ดีอ่านเล่มอ่านไม่้อ่านไม่าเนาะตาไเหมือนแต่ก่อนอ่านทีเล็กๆน้อย ทีละใบสองใบน่าสองหน้าทั้งยึดมล้วก็อ่านเอาเร็วอยๆเเป็นหนังสือนี่มันก็ทนทานได้นานหนงสือนี้มันน่าจะไม่มีนะทนังสือธรรมป่าอย่างของเราเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะไม่มีไม่มีใครพิมพ์ไม่มีใคร แค่ไม่มีใครถอดทิด้งแบบของเราเนี่นะแต่ละอ่านดูแต่ล้วมันก็มันดีทุกการถ้าที่ผมอ่านมานันไม่เห็นได้จะมีตรตรงไหนอันนี้เถิดถึงไป วันนี้พูดถึงเรื่องมาร่วงศาสนาอะไรกำลังจะถึงเรื่มกรรมมาร่งศาสนาเลยลืมลคนไปแล้วว่าจะพอตรวเจเสร็จแล้วก็จะให้ท่านมาเก็บเอาไว้เรื่ไหนที่ตรวเจเสร็จแล้วท่านเก็บไว้หากว่าก็าจะพิมพ์ต่อไปก็ให้อนั้นเป็นต้นฉบับปไปเลยที่ค่าเป็นตัวเป็นตัวเท้านะั้นแหะ เยอมากมาอะไรคี่เป็นตัวเป็นตัวเพราะนั้นเลยถึงไม่กินก็ไม่เสียความอะไรอักขีบยี่นิลายอมมัดเลยไม่เกี่มันกลัวกันเสือก็หมาเหมือนกับงูเขียวทุกแก่เหยี่ยวก็นกนั่นแหละ มันเป็นครูชัดจกันหมาก็เสือกันไม่เคยลู่ภาสาเนี้ยไมเคยรู่เขาลู่แย่เดี๋ฉีแตวเราได้เลยมันธรรมดาี่ฉีเอาอขวางเหมือนสร้างเป็นเยอะเล็ดเนี่ยเนี้ยนั่นจะเกี่ยวกันึงเสือหมาบูชาเสือไล่กัดเสืออั น, า น, น, านนั่นอยู่นี่คือบูชา ลอยทั้งลอยมันยังจกเป็นยังหูแล้มืดนะไม่เคยเองกระตามมีครูเลยทั้งกัดทั้งห่าเลยกัดมาอะไมันคำร่าเลยเหอาเห่าั้งกัดหมาดิทั้ยังเห่าเลย นอนบ้านถั่วต้มเหี่ยนนี่แต่หัวอลยตอหัวหนะ้าขันขันเอาดงบ้านถั่มันเป็นดงส่วนเสือเป็นลนลยนะแถวมันต้องสูงขัานสี่พุ่อย่างนี้เสือแต่เราไปดูกันยังไม่เสือเ น, นกินมาก เ, เขาเขาจะนั่งห่างที่ดักยิ่ง มันก <rude S 2> ็มากินมามากินสากก็มันยิ่งเลยแล้วยิ่งมันตายแล้วแตกบ้านไวเบิงแล้วมันเป็นถนนไทยมุ้งมันเป็นมัิ่งเหมนเสือแลาว้ยแตกบมื่อวานเบิ้งคนไปายม้าก็ไปน้นไปว้ยเจ้าฝาายเนีงันว่าข้นป่ยังมันเบิ้งแล้วมันวิ่งมนคน เราหอบเสือาหมากรแลไปกใกล้เชือมันที่ตั้งเหนือล่มท่าอันนี้ตั้งไต่ล่มหนุย่ยปลาปลาเปิงด้วยเนี่ยอนี้ตั้งเหนือล่มท่ามันทั้งไปถึงเสืออันนี้มึงเจอเสือเก็จับหมาโยนจับหมาโยนเสื อ, อนนเสือไ ต, ต่อะไรโยนเฉพาะตบบกไ ป, ป, ปนี่แอบมาูฟังดูเพระว่าโยนจับเสือหมาโยนไปเสือ คือเสือตายแล้วเขายิงแต่มันตายแล้วหมามันยิ่งไปเป็นบ้านบ้านไปกับคนที่นี้นมันคงไปทางเหนือลมมันไม่ได้กินถ้ามันได้กินโอ๊ยป้าเลิกเลยไม่กินที่ทั้งเหนือลมจับจนกระทั่งจับเอือญย่นแต้หมาย่นแต่เสือว่างฉันตกเนี่หรแอด เดีตขี่เต็มหลังเสือขี่ออกเหมือนเต็มหลังเสือเงี้ยเก็ะเกากบดกบั่านขึ้นเนื้อเนาเอาตนวเออเนื้อนลบีงับตัเอาอยู่กันตัวงดมือเลยม้วนพกเขาวันนั้นย่านไหนแจ่กว่าเดินหลังมวยหลังเสือมีแต่ขี่วาด แต่งอีกตัวหนั้นตัวนึ่งกับเขาขัดเท่าอยู่บ้านอีตัหนึ่งเลยแล้วย่างเนิศย่างเลิศนะย่าเลิศน้องแป๊บๆก่อนขัดคว้าวเขาเขาไปเห็นแล้วก็ขัดเท้ากินกรหันเลยดิหาแหลมหาล า, า, า, า, า, า, าวมาขัดเท้าหฮ้ยเป็นทย่อันนี้มันเป็นลาวดิวเสียบมงี้ยเขาเอาย่างไส้ เขาดังปิ้งป้งปันเล็กคุณตัวเหมือนก็บถ้อยนะถ้าเขาตีคุณย่างตีเพิ่งด้วกันแล้วเป็นปันเล็กคนะุณเขาย่างอะไรข้ออยู่ดังปิ้งปิ้งปันเสียงเล็กคนะุณมันกล้าอันนี้ด้วยกันเขาเสียมดินก็ย่างไสมันตรงก็นั่นคำว่ามันถูกกระโดดหินมันบ่ย่อยถูกขเข้าไปทะลุเลย นีฮอก็ค mm ัด hmm. เฮาขาวเรากรมากเสือหน้าที่มากินซสส้ำซากเลยคือข้าวเขาันแล้วเจ็ดสอกดก้พยขหาวเสือกรมากนี่ของวัน mm hmm. ในบ้านเลยหาของในบ้า น, ม า, น, านมาในบ้านแตกออกบานมัดเลยปุ่นตงเขาอยู่กลางทงเพราเข้าบ้านเลยมัดมือมัดขึ้นเย่ย เอาอยู่คุณพี่งคุเสื้อกรรมวาบ้านเขากรรมะ <c oughs> เนือเนื้อเชื้อนังมันออกไห้เรเขากรดูกไปตะไครกินนก็ตะลบอยู่มดได้เลยเชื้อม้าเขาบ้านไม่ไืลยเอาอยู้ลอ่อธงข้างนอกคุณ <c oughs> นี่สั่แล้วมันย่านขนาดนีนด้เลยเด้กกินเชื้อท่านมีการัวดีน้านี้ กบเ ส, ออสือย่านนี่อย่านกันไปบุกเป็นดอ้อนหมดหรอต้องไม่ ป, น, น, ป น, มนบ้งนบงนบงนางเสืออะไรมันมันบริิ่งมันบริหารหนาบิ้งคุณด้มันวิ่งสีตามันขึ้น้าหลังเสยมันก็ตามไม่เอาแล้วเสือฆ่าเพรานไปง่าวิ่งตาเลือหลังเสือมันบตั้งบิ่งไปกมันตั้งิ้งไปไมโคตรพอเสือรนะว่าท่านถี นีันไิ่เหมือนวันวิ่งไปมันวิ่งเหมือนหันหน้าไปหลังขตั้งขาวิ่งตั้งกระตาใหม่เลยอ่งกันนิดเสือยันตหมาโอยหมายานเสือเป็นยังไปไปไป้เปผนเนาะมังกี้ก็แข็งไปเลยมันที่ก็เมบนปเลยไป้เปผนที่น้ำมาหน้าชิโนน่ะนี่มันก็โคตอย่ดีไอะมันปันนั้นหะ มันก้องจีนนี่จะรู้ความรู้ยังไงมันหมดความรู้สุกทุยางคาการวันนี้หละเขาเปเรี่ยงงวนแล้วเรี่ยงง้วในปานเสือมันไม่เกถึงงัวนทการง้วนวแตกโขกไปุวิ่งตัวนั้นมันกินนามันตัดได้หระอตัวนั้นยืนอยู่นี่ห้างเสือตนั้นประมาณเข้าประมาณม่ถึงสามวาหรอเขาเสือไม่กินง้วตนนั้นนี่ตัวนี้อยู่นี่ไปว่เปลนังรู เขาไปเบิกง ok ่วเขาก็เห็นงัวเขามากโคเขานตามของมาสั่งเยอะมากทกคมเพราะเขามาเห็นง่วตัวยืนยื้เชือนั่มันก็มีกินข่างงวงลยงวงตัวนี้ก็ยืนถ่ายเลยแขนนื่นไปบุเบิลพูดบ้างลูกพร้อยร้อยบ้างก็วานง้วงง่ว พอคนเดียวเงนีว่าเขาก็ห้องโนี่แดงว่าพอวางเสรอ้าวเอาิ่งไปนม่อยด้องขึ้นอ้าวเอาวิ่งไกนเสือันไม่เห็นมือเบดกปลาก็อันนั้นเนี่ยแข็งห่มันมง่าเนี่เสือมันกินตัวนั้นตัวนี้ยืนตายที่สุยืนตัวแข็งมันไม่มันกินที่ตัวนั้นตาย่เป็นพอได้ยินเสียงค้อนห่องอ้าวิ่งไปก้น มันดันแล้วมมันไปวุ่นวายทยานสักตูกันนกมึงกันนกเขามันี่ยยิงเขาพูมไม้เลยหมอดนันเขาไปจับปลดมันบ้าบินนอยดมันยานแล้วเที่ยเขียวหัวเันไปจับปลดมันเขา ก่อนรู้นัดพุมหนาพูมยันบินไม่เห็นมันยันแล้วโฉบหัวจับบอลลูดร่างเต่งอียังไงขึ้นมาใหม่ม่สงานอนเนกับทับดิเทปมัื่ควรเกามัดเป่า going sure. on. เหนื่อยผมในวันหนึ่งวันเหนื่อยมากนะมันอลาบจะลเล่นก็บอะไรเลยแข่คนมานูอาจารย์เป็นยังไม่รับนะนทำไมมันถึงอ่อนขนาดนั้นนะีดเข้ามาหุดเข้ามา สรงทราทรงขันตอ น, นนี้คนเดียวคนเดียวพอดีไอยากเล่นกับอะไรนึให้เล่นให้เล่นกับซั์ไปงนัน ก, กระเจ้กระแต่ไปงั้นกับอย่างกับหมาเนี่ยพอเล่นไม่ทากเล่นไม่ได้นานขอบคุณอยากเล่น เดียกันเลอ่ะเก็บกั